ข้อต่อไปนะครับยี่ิสี่ครับนะครับพิสุกนะรูปใดพูนตาว อ, อย่างนี้ว่าพาระเถระทั้งหลายย่อมโอว่าพิสุนี้ทั้งหลายเพราะเห็นแก่อานิพาสะสัจจาระต้องอาบาัติปีตินะครับอันนี่เห็นไมใกล้แล้วนใกล้แล้วนะมาก็ถ้าเป็นพิสุบางรูปนะ <c oughs> เห็นพราเตราไปสอนทางพับวิสุทธิใช่ไหมแต่อาการหมั่นไส้ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไปว่าพราเสระทั้งหายเนี่ยว่าโอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจสอนจริงหรอกท่านเห็นแก่หน้าสต่การร่างใจที่จะทำต่างหากท่านก็เลยไปสอนวิสุทธินะอยนี้นะครับถ้าพราเตระเหล่านั้นนะเป็นผู้วิสุทธ์ผู้ได้รับสมมุตินะครับและไปว่าท่านนี้จะต้องบัตรไปดีถ้าเป็นผู้ที่มาได้เลาสมมุติ พูดได้ไปว่าท่านหนิงนี่จะต้องมาทุกคอนครับมันก็มีพิสุปผูมไม่เล่าส ม, มุตินะแต่ว่ามีพิสุเพื่อเล่าสมมตนะุติเนี่ยม้อหมายท่านไอแทนนี้ก็มีครับบรี พ, รพิสุที่เลาส ม, มนะุเนี่ยท่านยังไม่ว่างไม่สะดวกใช่ไหมแต่ก็ม้อหมาย พ, พิสุอื่นๆไปนะครัแบบอันนี้ก็มีอันนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้ก็มาจากพระเจ้าปะผีนะครับ อาบัตก็ตรงตมตัวนะไม่มีอะไรนะครับไปกาดติดทวพัทิล้านี้ น, นะคนมาเห็นภาพชั้นผู้ขีพอลรงฟังอะไรก็จะเห็นภาพช่างอะไรนั่นเลยเป็นไงนครับท่านบอกว่าโดยสมัยนัยาพาพ้นพระพุทธเจ้าประทัอยู่หน้ากัเทววันอารามขออาถาิกาขัาบบรเขตพนครสามวันทีครั้งนั้นพระเถร่ทั้งหลายสั่งสอนคู่ภิกษุณีย่อมได้จีวงวิยาบาเซนัสนา และคีลานะปใจเพสมบริคานพระเจ้าวคีิตพูดกันอย่างนี้ว่าพระเถระทั้งหลายไม่ตั้งใจสังสส่งสอนพวกพิษุณีนะครับท่านสั่งสอนพวกพวกพิษุณีพรอบเห็นแกอน่อามิตเนี่ยว่าอย่างไรนะครับบรรดาวิษุภูม้างน้อยสันโดษาักเพ่งผลิตโยมุทนาว่าฉนายัยพระเจ้าวคชิตจีนได้พูดอย่างนี้ว่าพระเถระทั้งหลายไม่ตั้งใจสั่งสอนพวกพิษุณีท่านสั่งสอนครอบพวกพิษุนีท่านสั่งสอน ผ้ พ, พิสูนนี้เพราะเห็นแก่อามิตรและากามทูลเรียกน้มว่พาพระเจา้าพพุท์ก็ประชุมสงฆ์ทรงสอบถานทรงตีตีแล้วก็มีสกามว น, นิข้นมาเพราะเห็นแหอามิตยังไงก็เพราะเห็นแห่งจีวมินเดบาเซนานาชนะขีลานปรจาจญยเป็นสัม บ, บูริขาสก า, ะาละความรูความนนถือการกันว่ า, าการบูชานี่นะอาการอย่างนี้นะเพราะว่าพิสูจประสงค์จะแส้ทอดวิจัไม่ดีนะ ต้องการจะหาเรื่องเนะี่เรื่องไม่ได้เป็นจริงนั่นแหละนะครับประสงค์จะท้ายอภยศประสงค์จะทําให้เกิดเหินกลากับอุปสัมบท น, นะคือพิสูจน์ผู้อันสงสมมุติให้เป็นผู้สั่งสอนพิสูจนีอย่างนี้คือกล่าวว่าเธอสั่งสอนเพราะเหตุจีวรมีเดียบาสนะัตนาอั น, นเป็นต้นนะก็ต้องหาปา็นปัญจิตินะครับรนึกก็ได้โอเคขอบคุ เนีย่ยมีการอะไรนะถ้าทำกับสมมะเนี่ยก็จะต้องทำแบบทุกบกก์นะครับมีรูประสมะเน่ยเพื่อรับสมมุติสมณมเนี่ย เ, เพื่อรับสมมุติมีได้ไหมครับไม่มีมีได้ในกรณีไหนครับกีที่ใช้เป็นสิ่งศับเป็นท่ามาก่อนราบสมมุติใช่ไหมครับแล้วก็ศึกเป็นดีนต้องนะครับเนี่ยมีได้ในการมีได้ที่ว่าเองะถ้าทากันเนี่ยนีก็ต้อแบบก ข้อได้ยี okay. ่ส okay. ิบห okay. ้าอไ้ยี่สิบห้านี่คำดาเแียวเป็นอบพในตอนโยมแล้วีพระในานี้วตอนโยมเรัะลาบเนี้ยไม่มีอันนี้ไม่มีอันหมนะครับแต่ถ้าเป็นคำด่าก็จะเป็นโยมทุกข้อ